ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องหยุดใจเลวไว้ที่ใครครวนโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่17มีนาคม2546ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ เริ่มด้วยคำถามฉบับแรกนี่นะซึ่งอาตมารู้สึกว่าเออน่าสนใจ <Okay. S 1> เพราะว่ามันเกี่ยวกับเรื่องของคนที่ประพฤติปฏิบัติโดยตรง mm hmm. เขาเขียนถามมาว่า mm hmm. เวลาที่เราต้องเจอกับภาวะที่เราไม่ชอบอึดอัด mm hmm. ต้องปรับใจเราเ อ, mm hmm. เองเท่านั้นหรือคะ mm hmm. คือแหมจะให้ ปรับแต่ตัวเราเท่านั้นน่ะเลยวงเล็บถ้าเป็นอาหารหรือว่าหนังที่ไม่ชอบก็เห็นด้วยว่าควรต้องทำใจอย่างนี้วงเล็บปิดคือหมายถึงว่าถ้าเราดูหนังหรือว่าฟังเพลงหรือว่าเจออาหารอะไรอย่างนี้เราเจอไปแล้วเราก็ต้องทาใจเราเองใช่เพราะว่ามันมันไม่เกี่ยวกับคนอื่นอะไรนี่มันเกี่ยวกับไอ้อะไรอะ่ะวัตถุแท่งก้อนอะไรนั่น เราไปเจออาหารที่เราไม่ชอบเจอหนังที่เราไม่ชอบอย่างเงี้ยเราก็ต้องทําใจเราเองไออย่างนี้ก็เหมือนกับว่าแน่นอนจํานวนหรือจนแต้มอยู่แล้วว่าเราต้องต้องมาปรับที่ใจเราเองแต่ครานี้เขาเขียนต่อว่าแต่กับเรื่องจริงๆสดๆก็ปรับใจอยู่กับโจทย์นี้ทุกวันทุกวันแต่ก็รอคอยว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นสักที หรือผ่านไปเสียทีจะมีทางไหนที่จะให้โจทย์เขาได้ปรับแก้บ้างคือพูดง่ายๆเนี่ยก็พยายามปรับตัวเองอยู่แล้วแหละแต่ก็ไม่วายะนะคือไม่วายที่จะคิดว่าเออเมื่อไหร่นะ่ ท, ที่ที่โจทย์เนี่ยหมายถึงว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะปรับแก้บ้างอาตมาบอกคุณได้เลยว่าอันเนี้ย เป็นโดยปกติเป็นโดยธรรมชาติหรือธรรมดาของของคนเราเลยที่เวลาเราไปมีปัญหากับใครเนี่ยเราอยากให้คนอื่นเนี่ยเขาปรับแก้เพราะประเด็นตรงนี้แต่มายอยากจะบอกว่าถ้าคุณไม่คิดได้เลยนะว่าจะต้องให้คนอื่นปรับแก้นเนี่ยรับรองเลยคุณยิ่งจะปรับแก้ตัวเองได้เร็วกว่านี้แล้วก็จะยิ่งพ้นทุกข์ได้เร็วกว่านี้แต่ถ้าตราบใดเนี่ยเรายังมีความรู้สึกในเรื่องของ ว่าเออแหมเราก็พยายามทําดีแล้วนะเราก็พยายามแก้ไขปรับจิตปรับใจเราเองแล้วนะแต่ดูสินั่นนหะเขาไม่เห็นจะดีขึ้นเลยหรือว่าเขาไม่เห็นจะปรับปรุงแก้ไขอะไรเลยเนี่ยบอกได้เลยว่าจิตเราเนี่ยพูดง่ายมันยังไม่ค่อยยอมมันยังไม่ค่อยยอมที่ให้เราปรับอยู่ข้างเดียวอะ่ะข้างโน้นยขาไม่เห็นปรับเลยแล้วให้เราปรับอยู่ข้างเดียว คือเนี่ยมันยังมีจิตตัวที่ไม่ยอมอยู่แล้วจิตอย่างนี้แหละที่ก็ทำให้เราทุกข์อยู่อย่างนั้นเพราะอะไรเพราะยิ่งเราเห็นเขาต่อยเขาปรับนะแต่เขาปรับช้าหน่อยอย่างเงี้ยแค่นี้เรายังรู้สึกไม่พอใจได้แล้วซึ่งเราก็ต้องมาอดอัดขัดเคื่องอีกอะแล้วเผลอๆคิดไปคิดมาก็เอ๊ะอย่างนี้กูเสียเปร่อยกูเสียเปียบมึงนี่หว่านะรุ่นรุ่นกูเสียเปียบมึงอย่างี้ยอมไม่ได้อะ เพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยรับรองเลยเดี๋ยวก็ไม่อยากจะปรับตัวเองแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าอย่างนี้เราเสียเปรียบหรือว่าเขาได้เปรียบใช่ไหมอาตมาบอกคิดอย่างนี้แล้วคุณจบยากเพราะ้โดยเนื้อแท้โดยความเป็นจริงตัดลอบไปเลยเขาจะแก้หรือไม่แก้เขาจะปรับหรือไม่ปรับช่างช่างอะไร กโกล ก, กลาเข้าเลยไม่เกี่ยวกับเราอะ่ะเราเนี่ยเราจะปรับปรุงตัวเราเองเราจะแก้ตัวเราเองถ้าคุณยิ่งทําอย่างนี้ได้เนี่ยคุณตัดเขาออกไปจากความรู้สึกที่คุณจะไปผูกเอาไว้อะด้วยความเกลียดชังด้วยความไม่ชอบคุณตัดตัดอย่างเงี้ยออกไปได้มากที่สุดเท่าไหร่นั่นแหละคุณก็จะยิ่งสบายใจได้เร็วและเขาก็ยิ่งไม่มีอิทธิพลหรือไม่มามีผล กับจิตใจเราได้นี่แหละแต่ถ้าบอกได้เลยนะอาตมาเนี่ยบอกไม่รู้นักคำถามนี่ของใครแต่บอกผู้ที่ถามนี่ได้เลยว่าถ้าตาบใดจิตเรายังไปแวะแวะแวะคือแวะไปหาเขาอยู่เรื่อยนะแล้วยิ่งมีความรู้สึกว่าเมื่อไรเขาจะแก้เมื่อไรเขาจะแก้แเมื่อไรเขาจะแก้ครูเนยะทุกไปเรื่อยๆความห่วงความกมังวล ความกลัวความไม่ชอบความไม่ยอมอะไรตามมาเป็นลําดับลําดับลําดับแล้วยิ่งเลยทําให้การที่เราจะแก้ไขการที่เราจะปรับตัวเราเองเนี่ยนะมันชอบไปไปนึกแวบไปเปรียบกับเขาอยู่เรื่อยเลยเอาที่เรายังปรับแก้เลยทำไมเขาไม่ปรับแก้อ่ะมันจะอย่างงี้อยู่เรื่อยเลยแล้วก็เลยทําให้พอเราเวลาเราปรับแก้ใช่ไหมมันอดไม่ได้หรอกมันต้องคอยดูว่า เขาแก้หรือเปล่าเขาแก้หรือเปล่าอย่างนี้แล้วคุณจะช้าอานะมาถึงบอกเลยว่าอย่างนี้ขื่นลบกวนจิตของคุณที่จะมีมีสมาธิในการที่เราจะปรับแก้จิตเราเนี่ยให้มันดีขึ้นเนี่ยจะยิ่งช้าลงมันจะไม่เร็วขนาดนะอาตมาบอกให้ฟังว่าขนาดเราเองเนี่ยเราพยายามนะขนาดบอกว่า ว่อย่าไปคิดถึงเขาช่างเขาเหอะเขาจะยังไงก็เป็นเวรเป็นกรรมหรือเป็นวิบากกรรมของเขาเองถ้าเขาไม่ดีเนี่ยขนาดต่อให้บอกอย่างเงี้ยแล้วคุณไปย้ากับตัวคุณเองนะมันยังจะไม่ค่อยยอมเลยล่ะจิตคุณนะและ้วณภาษาอะไรถ้า ค, คุณยิ่งไปคิดแล้วคุณยิ่งไปเปรียบเทียบอยู่มันยิ่งไม่ยอมหนักขึ้นและไอ้ที่เรายอมไม่ได้เนี่ยเพราะอะไรอะ่ะก็เพราะเราทนไม่ไหวที่เรียกว่าก็เรา เปลี่ยนแปลงเราแก้ไขแล้วทําไมเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงแก้ไขสักทีว่ามันยอมไม่ลงถ้าตาบใดคุณยังไปนึกอยู่อย่างนั้นคุณยอมไม่ลงเลยแล้วก็คราวนี้นะแล้วแต่โชคคุณจะฟลุกไหมเท่านั้นเองว่าในขณะที่คุณกําลังปรับแก้คุณเนี่ยปรากฏว่าเออเขาไม่มายุ่งกับคุณหรือว่าเขาเองปรากฏว่าเขาก็ไม่ได้มาทําเร็วๆไล่ๆกับเรา ก็เลยกลายเป็นโชคดีไปนะสําหรับเราที่ทําให้เราก็เลยปรับแก้ตัวเราได้ดีขึ้นไอ้นี่มันฟลุกมันโชคดีทั้งหากอะ่ะแต่ถ้าคุณไม่โชคดีอย่างนี้นะของจริงอะ่ะโดยโดยส่วนใหญ่เนะี่ยคุณไปมีคู่กรณีกับใครเขาไม่ค่อยจะยอมคุณหรอกถ้าเขาก็มีกิเลสนะเราก็มีกิเลสอย่างเงี้ยใครจะไปยอมใครเราไม่ยอมกันหรอก ก็ในเมื่อตอนนี้เราจะลดกิเลสเราใช่ไหมพราะเราก็ปรับที่ตัวเราเลยส่วนเขาจะมีกิเลสเพิ่มไหมเขาจะเอาเปรียบเราไหมเรื่องของเขาเพราะบางทีเนี่ยเราโดนแกล้ ง, กลงด้วยซ้ำเห็นไหมถ้าหมายถึงว่ากู้กรณีเลวร้ายนะเขาบางทีมาแกล้งมาด่ามาว่ามาหาเรื่องเราด้วยซ้ำไปซึ่งถ้าคุณเนี่ยทนไม่ได้คุณยังไม่ไหวแล้วเว้ยเอาละคราวนี้ ซัดกับเขาแน่นอนถ้าคุณไม่ไหวจริงๆเนี่ น, นี่นี่ขนาดว่าว่าเราพยายามเตือนสติเรานะยิ่งบอกแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่เตือนเนี่ยแล้วคุณคุณยังมีความรู้สึกอันนี้อยู่เนี่ยมันเท่ากับว่าเรายังจะคอยจดจด้องจ้องเขาอยู่ตลอดนะว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมเขาจะเปลี่ยนแปลงไหมถ้าคุณไม่ใช่สายโทรสารนะแม้ว่าคุณไม่ชอบใจเขาเนี่ยแหละแต่คุณก็ เฝ้ารอคอยว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าเขาจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงแต่คุณเนี่ยไม่ใช่สายโทรสา์ใช่ไหมคุณอาจจะไม่ไปโกรธไม่ไปเกลียดอะไรหรอกแต่คุณก็อดน้อยใจไม่ได้ว่าเอ๊ะทำไมเราเปลี่ยนแปลงแล้วทำไมเขาไม่ยอมเปลี่ยนแปลงมั่งคุณก็อดที่จะไม่รู้สึกแมเบือ่อเซงรู้สึก้อยเหงาว่าดูสิให้เราเปลี่ยนแปลงอยู่ฝ่ายเดียฝ่ายเขาไม่เปลี่ยนแปลงเลยอ่า คุณไม่ไปโกรธก็ได้นะแต่คุณก็มาตกฐานของความหดหู่หอยเหี่ยวใจอะ่ะถ้าตาใดเนี่ยคุยังคิดเปรียบเทียบอย่างนี้อยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันหาได้น้อยครั้งหรือหาได้น้อยรายที่เราเปลี่ยนแปลงแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงดีขึ้นมาด้วยพุทโทมันหายากอะ่ะส่วนใหญ่แล้วมันจะหาว่าแม้อะไรนะพร้อมใจกันนะ เขาก็พร้อมใจที่เขาจะปรับปรุงตัวเขาเองดีขึ้นเราก็ยอมปรับปรุงตัวเราเองดีขึ้นด้วยไอ้อย่างเงี้ยมันหายากคุณทั้งส่วนใหญ่เนี่ยบางทีเขาก็จดจ่อจ้องจ้องเราอยู่เหมือนกันดูซิเองจะเปลี่ยนหรือเปล่าเองจะเปลี่ยนหรือเปล่าอ่ใช่มไหมบางครั้งอะ่ะมันก็คอยคุมเชิงเงินคอยมองกันไปมองกันมาอยู่อย่างนั้นอะ่ะแล้วส่วนใหญ่ก็รอรอเองเปลี่ยนก่อนเนี่ยโดยอํานาจกิเลสก็อย่างเงี้ยก็ร อ, อกันอยู่อย่างนี้ วันถึงบอกว่าถ้าตาบดายเนี่ยใครยังไปฝังความรู้สึกว่าเมื่อไรเขาจะเปลี่ยนแปลงบ้างนะบางทีบางคนก็ไม่คิดลบหรอกไม่หวังว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงมากหรอกหวังแค่เขาเปลี่ยนนิดเปลี่ยนหน่อยแล้วก็พอใจอะไรอย่างนี้แม้อย่างนั้นนะ่ยบางทีคุณก็จะต้องผิดหวังอยู่ บ, บ่อยๆยิ่งโดยเฉพาะถ้าคุณจะให้คนเปลี่ยนนิสัยนะโอ้โหเข็นอะไรเข็นคก ขึ้นภูเขายากมากๆเพราะอะไรเพราะเราเองเรายังรู้ตัวเราเลยเรายังเปลี่ยนทิศสายเรายังยากเลยใช่ไหมและคนอื่นน่ะยิ่งเราคิดว่าเออจะให้เขาเปลี่ยนแปลงจะอะไรยิ่งจะไปแก้ไขเขาจะไปให้เขาเปลี่ยนแปลงโหยิ่งยากพระธรรมจัมมห์ถึงบอกว่าต้องตัดรอบตรงนี้ ันคุณยิ่งตัดรอบได้ดีที่สุดเท่าไหร่นะว่าเออช่างเขาเลยนะบาปบุญคุณโทษอะไรก็ไปตามกรรมของแต่ละคนเราเองเราปรับปรุงแต่งกรรมของเราให้ดีนะแล้วเราเองเราก็ออสภาพจิตใจหรือจิตปัญญาของเรามันก็จะพัฒนาดีขึ้นแล้วข่าวนี้ถ้าสภาวะจิตของคุณดีขึ้นดีขึ้น คำว่าดีขึ้นหมายถึงว่าคุณก็อดทนอดกลั้นได้เก่งขึ้นคุณมีการให้อาภัยได้เก่งขึ้นคุณไม่ถือสาคนได้เก่งขึ้นอ่าเราไม่ไปอะไรอ่ะแค้นเคืองไม่ไปโกรธใครเขาง่ายๆเพราะว่าเราได้ฝึกปรับจิตปรับใจเรามาแล้วเพราะนั้นคนที่ปรับจิตใจอย่างนี้ได้ดีขึ้นต่อให้เขาไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วเขายางังแกล้งเราอยู่ เขายัางเล่นงานเราอยู่หรือเดินมาเจอกันทีไรเนี่ยนะเขาก็เคี่ยงคอนมาที่เราทุกทีเคี่ยงสายตาเนี่ยนะนะเขาก็ส่งคอนมาให้เราทุกทีแต่ตอนนี้คุณปรับจิตปรับใจได้ดีขึ้นแล้วใช่ไหมต่อให้คอนพุ่งมาใส่หน้าคุณคุณก็ไม่มีปัญหารับคอนเป็นแล้วรับคอนได้คุณไม่โกรธเคืองคุณไม่ไปถือสาเหมือนเก่าเพราะเราฝึก ของเราเก่งขึ้นแต่ก่อนนี้รับไม่เป็นพอเขาเควียงคคอนมาเราก็ต้องเป็นไงเควียงขวานกับโอ้โ ห, โโหเพราะฉะนั้นอันนี้อาตมาถึงบอกว่าความสำคัญเนี่ยอยู่ที่จิตเรานะพยายามเถอะนะอย่ามาน้อยใจหรือว่าอย่ามาอดครวนอะไรที่ว่าแม้ทาไมอย่างนี้ให้เราแก้อยู่ฝ่ายเดียวให้คุณรู้เถอะคุณจะพ้นทุกข์ได้เนี่ย เพราะคุณแก้ของคุณได้ฝ่ายเดียวเนี่ยแหละคุณก็พ้นทุกได้แต่ถ้าคุณคิดจะไปแก้เขาด้วยเนี่ยโอ้โหคุณอาจจะพ้นทุกยากขึ้นเพราะคุณกลายเป็นแบก2 ส, ส่วนเลยอะแบกทั้งเราต้องแก้ตัวเราด้วยใช่ไหมแก้เจลิณที่ใสเราคุณยังต้องแบกแบกไปแก้ว่าคอยดูว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงเขาจะแก้ไขไหมโอ้โหมันหนักกว่าเดิมนะอันเนี้ย ก็ไม่รู้นะเรื่องอะไรเพราะเขาไม่ได้บอกว่าเนื้อหาของเรื่องอะไรมาแต่อาตมาพยายามจะบอกว่าเนี่ยคุณต้องรู้เรื่องโจทย์อันนี้ให้ดีโจทย์ข้อนี้มันถ้าเข้าใจอย่างที่อาตมาบอกได้คุณตัดรอบเลยอาตมายกอันนี้ให้ฟังบ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสผู้ที่มาบวชใหม่ๆเนี่ยท่านบอกไม่ต้องไปยุ่งเรื่องใครอื่นเลยบอกว่าคอยดูตัวเองเนี่ยพอแล้ว แล้วก็ถือศีลปฏิบัติธรรมของตัวเองไปให้ดีขนาดผู้เจ้าท่านสอนภิกษุใหม่ท่านยังสอนอย่างงี้เลย <c oughs> คุณคิดดูเอาแล้วกันเพราะส่วนใหญ่เนี่ยจิตคนเราอ่ะมันไม่ค่อยจะอยู่กับเนื้อกับตัวเราสักเท่าไหร่อะมันชอบไปเที่ยวหาโจทย์โจทย์เรื่องนั้นบ้างโจทย์เรื่องนี้มัางเรื่องกินเรื่องเป็นอยู่หลับนอนเรื่องการงา น, งานเรื่องอะไรมันชอบหาโจทย์มาใส่หัวของเราอยู่เรื่อยๆเลย นะเพราฉนั้นพยายามนะพยายามหัดตัดออกไปบ้างนะแล้วมันจะช่วยทําใหเา้เราต่อสู้ศึกเนี่ยไม่ต้องหลายด้านาไม่ต้องไปห่วงไม่ต้องไปกังวลว่าเขาจะอย่างงนเขาจะอย่างงั้นอย่างงี้อะไรหรือเปล่าคุณไม่ต้องไปห่วงห่วงอยู่ว่าเราเองอะ่ะนะถ้าเราเจออะไรเข้ามาก็ตามแง่ลบแง่บวกยังไงเออเราจะปรับจิตยังไงของเรา ที่ให้ทให้เราเนี่ยไม่ไม่ต้องไปทุกข์ไม่ต้องไปกุ้มกับเรื่องนั้นๆได้อันนี้ไม่รู้จะยกตัวอย่างอะไรนะเพราะว่าอันนี้นี่เขาพูดมาถามเป็นสภาวะมากกว่าก็เลยไม่ไม่ได้มีตัวอย่างาไม่ได้บอกเนื้อเรื่องมาว่ามันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรก็เลยพูดเป็นกลางๆให้ฟังอก็หวังว่านะผู้ที่ถามมาอันนี้ ก็ลองไปคิดไปพิจารณาดูก็แล้วกันส่วนคำถามอีกคำถามหนึ่งก็บอกว่าขอเรียนถามว่าใจด่วนใจเร็วใจร้อนและจิตซาตานเจอปัญหานี้มายาวนานมากทำอย่างไรจะเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้อย่างเด็ดขาดอถ้าถามอย่างเงี้ยจะให้เห็นเลยว่าถามถึงเรื่องของตัวเองนี่แหละ มองที่สภาวะจิตของตัวเองอันนี้ก็เป็นสายโทสะนะใจด่วนใจด่วนเนี่ยมันก็ก็คือใจเร็วนี่แหละนะแต่ว่าใจด่วนก็ตามใจเร็วก็ตามคือเท่ากับบอกให้รู้ว่าคิดอะไรปรุงอะไรขึ้นมาเนี่ยนะมันมั น, มนอะไรมันสรุปไปเร็วมันตัดสินใจอะไรไปเร็ว นะหรือจะใจร้อนก็นตามเนี่ยแต่ใจร้อนนี่มันเห็นอาการมันเห็นอาการถึงความที่เรียกว่าโอ้โหมันทนไม่ได้นะมันไม่เย็นนั่นเองมันทนไม่ได้แล้วมันทนไม่ไหวมันจะอะไรอะ่ะต้องรีบเลยคิดอย่างนี้ขึ้นมาจะทําอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็ต้องเอาเลยทันทีใครจะห้ามใครจะปราบหรือว่าใครจะมาให้เรารอช้านี่ไม่ได้ ถ้าสิ่งที่เราคิดนั้นนะ่ะมันเป็นสิ่งที่ดีก็ดีไปถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีแม้แต่สำเนาพระเจ้าบอกว่าเออคิดอะไรดีๆขึ้นมาแล้วต้องให้รีบทำพูยง่ายต้องให้ใจด่วนใจเร็วจะซ้ำไปคิดอะไรดีๆขึ้นมาต้องให้รีบทำใช่ไหมเพื่อที่จะได้แบบว่าใจจะได้ไม่กลับไปเร็วเพราะถ้าคือไม่รีบทำเนี่ยเดี๋ยวใจมันจะกลับไปเร็ว ผู้จ่ายังตัดอย่างนั้นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยในสภาพความเป็นจริงบางครั้งเนี่ยเราก็รู้อยู่โดยซ้ํำไปว่าไอ้ที่สัมนวนที่เขาใจด่วนใจเร็วใจร้อนอะไรอย่างนี้นะคือเรารู้โดยซ้ํำไปว่ามันคิดไม่ดีอย่างเช่นโกรธเขาเกลียดเขาไม่ชอบใจเขาเกิดขึ้นมาในจิตเราเนี่ยเรารู้แล้วโอ้โหจิตมันคิดไม่ดีแล้ะใจมันไม่ดีเสร็จแล้วเป็นไงพอไม่ดีแล้ะ เราก็เอาเลยเชอะซัดตูมตูมตูมตู ม, ตมออกไปเลยตามที่เราคิดอย่างเช่นโกรธเกลียดเขาขึ้นมาใสเลยดา่าออกไปได้ก็ด่าไปเลยเงี้ยใจร้อนใจเร็วไม่มีการหักห้าไม่มีการทวงติงไม่มีการดึงรัง้งว่าเอ้ยอย่าออย่าเพิ่งอย่าเพิ่งทำอย่างนั้นที่มันไม่ดีอะ่ะไม่ดีเนี่ยคุณจะใจด่วนใจเร็วทาไมอะ่ะก็มันไม่ดี แต่ทำไมถึงห้ามกั้นจิตไม่ได้ทำไมมันใจร้อนใจเร็วใจด่วนทำไมถึงห้ามไม่ได้เพราะคุณไปสั่งสมมัาบ่อยๆคุณไปทำความใจเร็วใจร้อนเนี่ยคุณไปทำอยู่เรื่อยๆเลยพอมันเกิดขึ้นมาคุณก็วุบออกไปเกิดขึ้นมาคุณก็วุบออกไปนะกับพลไฟเป็นมังกรไฟนะพอใจร้อนขึ้นมาใครมาทำอะไรอฮ้ยไม่ทันใจเอาเลยเราลงมือเลย นะโดยเฉพาะบอกแล้วโดยเฉพาะในแง่ที่มันไม่ดีซึ่งถ้าคุณไม่รู้ตัวเนี่ยแล้วคุณทําออกไปนะสมมุติว่าคุณไม่ทันคิดเนะ่ยคือความคิดมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเร็วเสร็จแล้วเราไม่ทันพิจารณาแต่เราเราเราคิดไปเลยว่าจะทําอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ทําลงไปเลยแต่จริงๆแล้วเรื่องนะั้นมันมันไม่ดีอะ่ะเพราะพอไม่ดีพระผลเสียหายตามมาทันที แล้วคุณก็สั่งสมไปแล้วความเคยชินที่จะคิดอะไรขึ้นมาบังกระทํำเลยเพราะฉะนั้นคนนี้ก็เป็นคนที่บางทีเขาพูดว่าอะไรทำไม่คิดทําอะไรไม่ไม่คิดซะก่อนเน่ยแล้วก็ทำทำฟุกโชคดีที่คิดดีบอกแล้วอผลมันก็ไม่เสียหายออกมาใช่ไหมก็ดีไปแต่มันจะฟุกสักกี่ครั้งอะ่ะเพราะนั้นเพื่อความไม่ประมาท จริงๆแล้วเนี่ยเขาต้องให้เราพิจารณาก่อนที่จะทําอะไรเพราะอันนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนบางทีสอนว่าอะไรให้พิจารณาก่อนที่จะทําถ้าไม่พิจารณาก่อนทําหรือก่อนพูดออกไปเนี่นะครับเป็นความเลวยิ่งเป็นกษัตริย์เราเคยเรียนชาดกมาแล้วบางเรื่องที่เกี่ยวกับอันนี้ว่าไม่ไม่ใคร่ควรซะก่อนแล้วก็ทําลงไปอ่า ไม่ใคร่ครวญซะก่อนแล้วก็พูดออกไปยิ่งเป็นกษัตริย์เนี่โอ้โหพอพูดออกไปแล้วพลาดไปแล้วแก้ยากเลยทําไมถึงแก้ยากเพราะว่าแหมมีอํานาจมีบรารมีแล้วก็คนเคารพยกย่องคนนับถือถ้าพูดอะไรพลาดไปแล้วมันจะไปเปลี่ยนไปแก้กันง่ายๆมันยากอ่ะแล้วยิ่งบางทีเขารับคําสั่งไปแล้วหรือว่าเขาเอาไปทําแล้วเนี่ยโอ้โหจะไปถอนอะไร คืนมาง่ายๆได้ยังไงเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นความที่ไม่ประมาทก็คือไคร่ครวนซะก่อนแล้วจึงทำหรือจึงพูดออกไปเพราะอันนี้นจะเป็นวิธีการแก้ความใจร้อนใจเร็วโดยเฉพาะในทนี่ถามว่าและจิตซาตานก็คือจิตที่เร็วนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณเนี่ยไม่อยากให้ใจเร็วสำนวนพ่อท่านเป็นไง พูดจากข้างหลังมาข้างหน้าถ้าคุณไม่อยากให้ใจเร็วคุณจะต้องยังไงคุณต้องลดความเร็วลงเพราะว่าความเร็วเนี่ยทําให้ใจเร็วจํำจานวนนี้ได้ไหมพ่อท่านเคยมีเหมือนสโลกเอาไว้ว่าความเร็วนี่แหละคุณใครเนี่ยชอบทําอะไรเร็วๆเนี่ยแหละใจเร็วนี่แหละใจเร็วมันก็ะพามือเร็ว พาปากเร็วเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้แหละหัดให้ช้าลงทำไมการปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่ของพวกเราบางทีหัดให้ช้าลงเพราะว่าโดยปกติอันนี้ไม่ได้พูดถึงทุกคนนะแต่พูดโดยรวมๆส่วนใหญ่มันเร็วมันเร็วมากๆยิ่งโดยเฉพาะเนี่ยไปเจอสิ่งที่เราชอบมากๆหรือเจอสิ่งที่เราเกลียดมากๆโอ้โหใจเร็วมาก การใครควรการคิดพิจารณาเนี่ยจะขาดสติหรือจะค่อนข้างสูญเสียคุณไปเจออะไรชอบมากๆบางทีขาดสติเลยนะโอ้โหวิดว้ายกระตูวูหรือว่าอะไรวิ่งเข้าหาหรือวิ่งเข้าใส่เลยอืมบางทีอะไรเห็นชามก๋วยเตี๋ยวเท่านั้นเน่โอ้โหชอบอะ หรือว่าคนนี้ชอบคนนี้ติดอ่ะโอ้โหวิ่งเข้าใส่เลยว่ากลัวคนอื่นจะมาแย่งคว้าชามไปซะก่อนอือย่างเงี้ยเนี่ยเ น, น, น, น, น, นคือใครเนี่ยยิ่งถ้าติดหรือว่าอะไรคุณจะเห็นเห็นได้เลยว่าการพิจารณาให่ควรเนี่ยมันจะน้อยหรือว่ามันจะมาช้าเพราะเอกกิกเลสที่เราสะสมความติดความชอบอันนั้นอ่ะมันทําลายสติสามชัญ ญ, ญาคุณกิเลสเนี่ยมันสั่งการเลยมันเล่นงานทันทีเลยเฮ้ยเห็นก๋วยเตี๋ยวอยากกิน ต้องรีบออกมาทันทีเลยมันไปแล้วบางทีเนี่ยุบชามก๋วยเตี๋ยวมาอยู่ในมือแล้ว <laughs> ยังรวดเร็วเร็วยิ่งกว่าหนังกำลังภายในอีก <laughs> โอ้โหมันเป็นไปอย่างนั้นเลยนะหรือคราวนี้อีกมุมหนึง่งโทสะบอกแล้วโอ้คุณโกรธคุณเกลียดชังอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยบางคนเกลียดแมงสาบเนี่ยโอเห็นปับ๊บวายร้องวายป๊บแบนไปแล้วแมงสาบเรียบร้อย <laughs> โอ้โเกลียดเอามากมากอะ่ะพวกที่เกลียดมากมา ก, มกคุณสังเกตไหมล่ะบางทีเนี่ย โ, โหมันบินมาเกาะหน่อยเนี่ยอืหคุณสลัดทิ้งอย่างไรอะมันกระเด็นไปชนฝาผนังตกลงมาดิ้นแย่งตายเพราะว่าเราโอ้โหเราเกลียดเนี่ยเราเกลียดชังเรากลัวมากเลยนะไอไอการที่เราสั่งสมจิตเกลียดชังจิต ก, กลัวมากมากอะไรพวกนี้เนี่ยปฏิกิริยามันทันทีเลยคือมัน มันป้องกันตัวหรือว่ามันให้เราปลอดภัยไว้ก่อนนี่มันเล่นงานเขาก่อนเลยทันทีเลยเนี่ยเพราะเพราะความสั่งสมจิตที่ที่ตรงตรงแบบนี้เพราเนี่ยหลายหลายหลายคนเลยที่บางทีฆ่าคนอื่นตายเนี่ยก็เพราะว่าไปสั่งสมไงบางคนสั่งสมความโกรธมากบางคนสั่งสมความรักมากฆ่าคนตายได้รักมากก็ฆ่าคนตายได้โกรธมากก็ฆ่าคนตายได้ เพราะรักมากมันก็สั่งเลยนะโอ้โหนี่ต้องของฉันเป็นของคนอื่นเขาไม่ได้อ่าใครจะมาแย่งกันได้เรื่องสิอ่าใช่ไมแล้วมันก็ไม่ให้ใครได้ไปด้วยต้องเอามาทันทีแล้วลงมือทันทีเลยด้วยแต่เพราะโกรธเข้ามากเกลียดเข้ามากบางทีเขาเดินผ่านมาเขายังไม่ทันทำอะไรเลยแต่อำนาจของความโกรธเกลียดที่เราสะสมไว้นี่บางทีเล่นงานเขาแล้ว ตุบใส่เลยอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ยนมันสั่งสมมาจากชีวิตประจำวันจากความเคยชินจากการที่เราปล่อยให้มันเป็นอย่างนั้นอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นวิธีจะแก้เนี่ยแก้จิตที่เลวหรือจิตซาตานนั่นเองกูจะแก้จิตที่เลวเนี่ยคุณจะต้องใครควรการไขควรนี่คุณว่าแหมมันจะเ็วเหรอ การพิจารณาเนี่ยการตรวจสอบคุณว่ามันจะเร็วหรอการพิจารณาการตรวจสอบการไข้ครัว น, นี่มันช้าอยู่แล้วมันไม่เร็วอะใช่ไหมล่ะคุณจะให้คุณไปตรวจสอบอะไรเนี่ยคุณก็โอ้โหต้องระมัดระวังใช่ไหมในการตรวจสอบเพราะการไข้ครวัวการพิจารณามันทําให้คุณช้าลงเันต้องฝึกอย่างเงี้บยบ่อยๆฝึกพิจารณาฝึกพิจารณาฝึกพิจารณา ในชีวิตประจําวันก่อนจะหยิบอะไรมาเป็นอาหารการกินของเราพิจารณาก่อนหยิบไม่ใช่มารอพิจารณาตอนเอาเข้าปากอยู่แล้วไอ้นั้นมันยังช้าไปพิจารณาตั้งแต่ตอนจะหยิบมาแล้วจะหยิบมาใส่ถ้วยใส่ชามเราเนี่ยพิจารณาตั้งแต่ต้นมือนั่นเลยเสร็จคราวนี้เอาพอได้มาแล้วใช่ไหมพอจะกินคราวนี้ตอนตักอยู่เนี่ยอา้าวจะกินแล้วจะเอาเข้าปากแล้ว พิจารณาอีกจนกระทั are, ่งเอาเข้าปากเคี้ยวงมงมงมงมพิจารณาอีกคุณเนี่ยมันพิจารณาไปเรื่อยเป็นขั้นเป็นตอนพิจารณาไปเรื่อยใครฝึกอย่างเงี้ยพิจารณาเงี้ยอยู่เรื่อยเรื่ยรับรองเลยความใจเร็วใจด่วนใจร้อนคุณจะลดลงเรื่อยเรืลดลงเรื่อยเรยแต่ถ้าใครไม่ฝึกอย่างนี้แล้วรับรองบอกแล้วพอเจอก็เจียวปั๊บพลึบทันทีเลยอย่างกับมีกําลังภายในดูพว่ นะชามก๋เจี้ยวมาอยู่ในมือเลยเสร็จแล้วไปไงพอมาอยู่ในมือทันทีเลยอ่ะใช่ไหมตักกินทันทีมันมันแทบไม่ต้องพิจารณาเลยอ่ะเสร็จแล้วพอไป็นไงตักกินตั้งไงโอ้โหตักตักด้วยความเร็วสูงเลยนะเสร็จแล้วไงพอเข้าป่าไปไงเคี้ยวด้วยความเร็วสูงอีกอ่ะใช่ไหมโอ้โหแทบจะกลืนเลยอ่ะ ยิ่งอะไรที่เราติดอะไรชอบมากๆแทบจะเกินเกิเกินกิลงท้องเลยมันมันไม่อยากให้คุณพิจารณาเลยเพราะมันไปสั่งสมไอตัวบอกแล้วตัวกิเลสตัวดูตัวผลักอะไรพวกเนี้ยเอาไว้มากเพราะมันไม่ร้อยคุณพิจารณาแต่ถ้าคุณพยายามหักห้ามใจหักห้ามอารมณ์เราพยายามทำแล้วก็พิจารณาทาแล้วกพ็พิจารณาพิจารณาพิจารณาทุกขั้นตอนคุณพยายามพิจารณา จะมารับรองรับประกันกับคุณเลยว่าความใจร้อนใจเร็วใจเลวเนี่ยจะลดลงเรื่อยๆจะลดลงเรื่อยๆยิ่งเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมนี่นะคุณจะยิ่งแก้ไขตัวเองได้ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่คนเราเนี่ยใจร้อนใจเร็วหรือใจมันเลวไปแล้วนี่คนนี้บอกว่าเจอปัญหานี้มายาวนานมากอาตมาจะต้องพยายามอ่านให้เห็นว่ามัน ทั้งยาวทั้งนานแล้วก็ทั้งมากนะที่ที่อ่านตรงนี้เพราะว่าเนี่ยเขาบอกทําอย่างไรจะเอาชนะกิเลสตัวนี้ได้อย่างเด็ดขาดแจะมาบอกคุณได้เลยคุณไม่เด็ดขาดได้ไง่ายๆหรอกเพราะมันยาวนานมากคือคุณสะสมมาเยอะเหลือเกินเนี่ยคุณจะมาให้เด็ดขาดเปลี่ยงเดียวโอ้โหนอกมันไม่มีทางใชหรอกรับประกันได้เลยว่าไม่มีทาง ยกเว้นว่าคุณเนี่ยมีบรารมีเก่ามาแล้วคําว่ามีบรารมีเก่าคือเคยเลิกเคยลดละสิ่ง น, นี้มาได้แล้วเสร็จแล้วชาตินี้เนี่ยเพียงแต่ว่ามาโดนเปลือกเปือกมาโดนอะไรยัว่วย้อมมอมเมาไปเท่านั้นเองเอคุณหลงทิศหลงทางไปบ้างแต่โดยเนื้อแท้คุณเนี่ยคุณทําได้อยู่แล้วอแต่มันเมาไปบ้างพูดงา่ายว่ามันเมาไปบ้างอย่างเงี้ยพอคุณเจอเหตุการณ์หรือคุณได้สติ ขึ้นมาทันทีเลยยึดสลัดหลุดได้ทันทีเลยอ่ะอันนั้นคือบารมีเก่าแต่ถ้าใครเนี่ยสั่งสมกิเลสตัวนั้นๆมาจนใจร้อนจนใจเร็วมายา ว, ยาวนานแล้วนี่มาให้คุณเด็ดคาดนะวันนี้พรด็ดชศึกวันนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวเด็ดคาดรัดบรองวันนี้อาจจะไม่กินก็ได้แต่พรุ่งนี้อาจจะไม่รอดเพราะว่าโอ้โหมันติด มายาวนานนี่คุณยืนดื้ว่ามันง่ายถ้าอันนี้หมายถึงว่าเป็นศักยะของคุณนะนะที่คุณเนี่ยยังไม่ได้สั่งสมบุญบรารมีที่เลิกลดละมันมาได้เพราะฉะนั้นคุณสู้ยากมากเลยโอ้โหบางทีนี่สู้ชนิดร่อแร่ปางตายถ้าเป็นศักยะของคุณเนี่ยนะยืนยนันอย่างคุณได้เลยว่าโอ้โหล่อแร่ปางตายเลยเพราะมันยากเย็นแสนเกณฑจนกระทั่งบางคนเนี่ยสู้ไปก็ ร้องห่มร้องไห้ไปสู้ไปก็ร้องห่มร้องไห้ไปสุดแสนเสียดาย <laughs>